บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปคุณสมบัติของพระอาหารหันต์ะีณาศพที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในตอนต่อไปนั้นคือท่านไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารไม่รับใช้ามารกรรมมารนั้น หมายถึงสิ่งที่ล้างผลาญทำลายล้างบุคคลและสัตว์ทั้งหลายให้ประสบความเดือดร้อนให้เสียคนให้ตายเรือให้ต ก, กระบายเป็นต้นมารยังทรงจับนแนกแสดงไว้เป็นประเภทเป็นห้าประเภทด้วยกันเรียนแรกคือขันธมารมารคือเป็นจ้ขันธ์ได้ แ, แก่ขันธ์ห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและปิญญารูปก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งประกอบโดยธาตุสี่มีดินน้ำลมไฟอากาศและอากาศส่วนนามนั้นก็คืออาการของจิตที่ปรากฏในรูปลักษณะต่างๆแก่เวทนาคือจิตทีรทำหน้าที่สวยอารมณ์สัญญาจิตทีรทหน้าที่จา สังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีกลา ง, ก, ลางก็มีและบิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางภาษาสัมผัสเห็นตาเห็นรูปเป็นต้นอาคารท่านั้นเป็นมารโดยสภาพของมันเองเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นานาประการ และเป็นความทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นความทุกข์เพราะว่าทําให้บุคคลได้ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอยู่เรื่อยไปสราบใดที่ยังมีขันธ์ห้าประการอยู่ประการที่สองท่านเรียกว่าอภิสังขารมานมานคืออภิสังขาร คำว่าอภิสังขารนั้นท่านเน้นไปที่ที่บุญที่บาปและที่อเนญชาแล้วข้อนี้เพิงสังเกตว่าก็เป็นมานกันในชั้นนั้นๆในชั้นสามัญทั่วไปบาปก็ชื่อว่าเป็นมานเพราะว่าล้างผลาญทําลายความดีและนําความเดือดร้อนมาสู่บุคคลผู้กระทําบาปเหล่านั้นในฐานะนั้นๆ ในชั้นของบุญที่เรียกว่าบุญญาภิสังขารถ้ามองถึงชั้นศีลธรรมก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลอำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคลนั้นๆแต่ในชั้นที่ประณีตขึ้นไปจะทําให้มีการยึดติดในบุญชั้นใดชั้นหนึ่งกรณีเป็ น, นสังเกตว่าบุญเป็นระบบการพัฒนาจิตใจของบุคคลให้สูงขึ้นไปโดยลําดับจนถึงก็หมดบุญคือละได้ทั้งบุญละได้ทั้งบาป บุญจึงเป็นเรื่องของวัตตะที่ตกแต่งภบชาติของบุคคลให้ประณีตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงพรหมโลกแต่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วปัญญาที่บังเกิดขึ้นจะวิเคราะห์วินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเหตุให้ตนหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏ ส, สังสารวัฏก็จะมองเห็นเป็นมานที่จะต้องขจัดออกไป พันบุญจึงเป็นมารในชั้นสูงไม่ใช่มานชั้นต่ำเพราะในชั้นต่ำเราก็ต้องอิงอาศัยบุญกันอยู่ตลอดไปประการที่สามเรียกว่ า, าเนนชาพิสังขารวิสังขารคื อ, อเนนชาได้เก็บผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทางจิตของบุคคลระดับที่เรียกว่าอารูปฌานอารูปฌานนั้นเป็นการมองจากจุดสูงสุดจึงจะเป็นมารคือมองจากพระอระหันต์มอง มองจากสามั ญ, ญชนก็เป็นผลที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการปฏิบัติระดับสมถะกรรมฐานชั้นสูงสุดซึ่งก็ยากเย็นได้เกินกว่าจะสัมผัสได้แต่เมื่อมองจากจุดสูงสุดเจ็ประเป็นพระพุทธเจ้าพระอระหันต์ผู้รูปประชานนั้นเป็นพวกที่มีคติแน่นอนคือจะเป็นผู้ไม่ตกต่าถ้าจับใดที่อรูปปัจฉมีอยู่ ก็แน่นอนในขั้นขั้นของอรูปฌานแต่ไม่จะแน่นอนขั้นมรรคผลเพราะอะไรเพราะอรูปฌานนั้นเป็นพวกก็เรียกว่ากุปปธรรมคือธรรมะที่เสื่อมได้มีแรงกระแทกกระทันจากภายนอกแรงๆกิเลสทั้งก็ฟูขึ้นลุ่มรุมใจและอาจจะทําผิดแรงกว่าปกติก็ได้เพราะนั้นธรรมะปฏิบัติในทางาศาสนาแต่ท่านจะสรุปอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากุปปธรรมกับอากุปปธรรม กุปธรมนั้นคือกำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้เช่นว่าจิตใจของสามั ญ, ญชนทั้งหลายนั้นจะมีลักษณะเป็นกุปธรมคือกำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้เรื่อยเช่นกุศลและเจตนาในการกระทําความดีบางเกิดขึ้นบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็ทําไม่ได้บางครั้งทําได้ช่วงหนึ่งแต่อีกช่วงหนึ่งทําไม่ได้หรือบางครั้งความดีระดับนี้ทําได้สูงขึ้นไปทําไม่ได้เช่นว่าคนบางคนอาจจะให้ทานได้แต่รักษาศีลไม่ได้ แต่บางครั้งในการให้ทานบางอารมณ์ให้ได้บางครั้งให้ไม่ได้เป็นต้นนี่แสดงเห็นว่าจิตใจของบุคคลยังมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มาปรุงจิตในขณะนั้นๆแม้ผลระดับของสมาธิระดับฌานระดับอ ร, รูปฌานทั้งก็ถือว่าเป็นกุปธรรมคือมันกำเริบได้หมดเลยเปลี่ยนแปลงได้หมดคนที่เจริญสมาธิจนได้รูปฌานชั้นที่สีแล้ว วันดีคืนดีเจออะไรแรงๆข้ามาจากข้างนอกท่านก็เสื่อมได้ตกต่มได้ดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าจะสรุปใหม่ๆท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะนึกออกว่าเมื่อทรงปรารบถึงอาจารย์ทั้งสองคือท่านอาราดาบดกาลามโคตรและอุทกราบดรามบุตรเมื่อทรงทราบโดยประยานไว้ท่านทั้งสองสิ้นชีวิตไปแล้วพระเจ้าทรงอุทานขึ้นมาว่าอาจารย์ทั้งสองของเราสิบหายใหญ่แล้ว เพราะอะไรเพราะว่าเสื่อมจากมรรคผลที่ตนควรจะได้ที่จริงท่านตายไปแล้วท่านบังเกิดเป็นอรูปภพพรมด้วยผลของอรูปฌานในชั้นที่7็ดในชั้นที่8ดที่จริงก็สูงสุดแล้วในชะันชาตแต่มองจากจุดสูงสุดคือพระอาหันตพระพุทธเจ้ามองก็ถือว่ามันเป็นไปเพื่อวัตตะเป็นไปเพื่อความหมุนวนในโอกาสต่อไปไม่จะเป็นการปิดประตูอบายได้อย่างแท้จริง นั่นคือกลุ่มของกุปตธรรมจะเรียกว่ากลุ่มรึ่งกําเริบได้เปลี่ยนแปลงได้กลุ่มหนึ่งจะเรียกว่าอากุปธรรมคือจะไม่กําเริบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเพราะว่าท่านเริ่มจากพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันนั้นกิเลส ท, ที่ท่านละได้แล้วจะไม่หวนย้อนคืนมาสู่อำนาจกิเลสนั้นอีกต่อไปไม่ว่าจะกระแทกกระทันจากภายนอกอย่างไรก็ตาม จะขู่จะฆ่าให้ตายถ้าจะปฏิเสธพระรัตนานใจท่านก็ยอมตายเพราะว่าเข้าถึงสัจจะที่แท้จริงถ้าเปลี่ยนแปลงก็สูงขึ้นคือเพิ่มการละสังโยชน์ได้เพิ่มขึ้นนี้ก็เรียกว่าอากุ ป, ปรธรรมคือไม่กำเริบอีกต่อไปต่นั้นในชั้นที่ยังมีการกำเริบมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อมองจากหยุดสูงสุดจึงถือว่าเป็นมารเพราะทาให้คนยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเห็นว่าสังโยชน์ข้อที่6กับข้อที่เจึดึงเป็นเครื่องผูกใจสัตว์ไว้นั้นท่านก็แสดงในเชิงที่เรียกว่ารูปประราคะกาับรูปประราคะแตม่มองถึงสายการปฏิบัติจริงๆรูปประราคะนั้นยังมีภายในใจผ่องของพระอนาคามีพระอนาคามีนั้นท่านตัดการมราคะคือความกำหนัดใน วัตถุกรรมทั้งหลายเพราะไม่มีกิเลสกรรมคนรู ป, ปราคะในระดับพระนาคามีจึงเป็นเรื่องของรูปประชานโดยตรงแม้แต่หมายถึงรูปธรรม ท, ที่ประณีตอย่างที่เกิดขึ้นแก่สามมนชนทั่วไปส่วนอรู ป, ปราคะนั้นถ้าเป็นระดับพระนาคามีก็เป็นเรื่องของอรูปปัจจานคือความกับหนักความติดอยู่ในอรูปปัจชานมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในรูปปัจจานจึงถือว่าเป็นมารอีกชั้นหนึ่ง มารประการต่อไปท่านเรียกว่ากิเลสสมานมานคือกิเลสนี้ก็เป็นเรื่องแน่นอนเหลือเกินว่ากิเลสจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามซึ่งมีต้นตอมาจากโลกปรดลงและต้นตอลึกจริงจริงก็คือเรื่องของอวิชชากิเลสบางเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจบุคคลเมือ่อใดความมืดบอดก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเมือ่อนั้นเหตุผลสติปัญญาที่ควรจะมีควรจะใช้ไปในกรณีดันั้นก็พอ พลอยผ่คลายลงไปตามลําดับจะบางครั้งเป็นการลุกอานาจของกิเลสและลุกอานาจของอารมณ์ที่บางเกิดขึ้นทําให้พฤติกรรมรุนแรงออกมาด้วยประการต่างๆบางครั้งท่านจึงเรียกมานว่าอันตะขูคือหมายความว่าเป็นสิ่งที่นําคนไปสู่อํานาจของอกุศลบางครั้งท่านเรียกว่านมุจิ คือหมายความว่าคนเราพอตกอำนาจของมารแล้วจะไม่มีทางย้อนกลับมาสู่กุศลคือจะบ่ายหน้าเข้าหาบาปอกุศลเพิ่มขึ้นโดยำดัๆตักษานะอาการของกิเลสสมานบุคคลจะเห็นได้ว่าจะมีลาดต่ำลงไปและการกระทำความคิดแต่คำพูดจะหยาบจะรุนแรงขึ้นโดยลำดับ ถ้ายังายได้ไปสู่อำนาจของกิเลสมานอูประหารตั้งหลายนั้นท่านกระจัดมารประเภทนี้ได้ตั้งแต่อาสวัคยานแล้วก็อย่างที่บอกมาแล้วว่าที่จริงมันก็ตัดกันมารโดยลำดับแต่พวกหนึ่งตัดได้กลับกาเริบอีกพวกหนึ่งตัดได้โดยไม่กลับกำเริบขึ้นมาอีกเพราะมันกิเลสจึงเป็นตัวมารตรงๆเป็นตัวมารที่แท้จริง แล้วก็เป็นตัวเหตุให้เกิดมานข้ออื่นข้อนี้เพิงสังเกตว่าขันที่มันเป็นมานเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ากล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันทั้งห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราดันั้นเองก็เป็นความทุกข์กับเป็นความทุกข์วกรวบยอดจะถามอุปาทานคืออะไรอุปาทานก็คือกิเลส ถ้าไม่มีอุปาทานจะมีความยึดไม้ก็บอกว่าไม่มีความยึดข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าแม้ในชีวิตประจำวันของบุคคลก็มีอารมณ์เป็นนั้นมากที่ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์แก่ใจเราเพราะบุคคลไม่ได้ยึดถือในสิ่งเหล่านั้นมายึดถือทั้งความเป็นเราเป็นของเราและเป็นตัวตนของเราเวลาสิ่งนั้นเปลี่ยน แ, ป, แ ป, ปลงไปก็ไม่เดือดร้อนอนไรไม้จะโศกอะไร ดต่นั้นกิเลส ท, ที่เป็นเหตุได้ยึดถือจึงชื่อว่าเป็นมารและเป็นเหตุให้เกิดมารตัวอื่นมารที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่เป็นมารเพราะแก่ทําไปด้วยอํานาจของกิเลสพวกอเนชาพิสังขารที่เป็นมารเพราะกิเลสเป็นยังไม่หมดก็สรุปวระพูดไปพูดมามันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากกิเลสข้อสุดท้ายเราเรียกว่าข้อที่สเรียกว่ามัจจุ ม, มาร มนันคือมรณะหรือความตายบางทีชีวิตคนพระพุทธเจ้าใช้คําว่ามัดโจรแปลว่าสัตว์ที่จะต้องตายเป็นธรรมดาซึ่งโดยรูปศัพท์แล้วก็ดีมากก็เป็นอนุสติเตือนใจของบุคคลให้สนกว่าเรานั้นเป็นมัด จ, จักหรือมัดโจรแปลผู้จะต้องตายเป็นธรรมดาตัวนจะตายเมื่อไรนั้นไม่รู้แต่ว่าตายนั้นเป็นความเที่ยงแท้ของชีวิต แต่ว่าจะตายเมื่อไหร่เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอีกประการหนึ่งเระนั้นท่านยังเรียกว่ามัดโจรหรือมัจักมัดจุมานที่ถือว่าเป็นมานั้นที่จริงก็มีอยู่หลายชั้นโดยเฉพาะชั้นทั่วๆไปหมายถึงบุคคลที่กำลังประพฤติปฏิบัติความดีหรือกำลังจะได้สัมผัสผลของความดีแต่ความตายมาพรากชีวิตบุคคลนั้นเสียก่อน เช็นความตายที่เกิดขึ้นแก่ท่านอาสิทธดาบทหรือกาลเทวินดาบทที่มาเฝ้าพระโพธิสัตว์เมื่อตอนประสูติใหม่ๆความตายที่เกิดขึ้นแก่ท่านอาราดาบทกาลามาโคตอุทกดาบทรามาบุตรอั่งที่กล่าวแล้วนั่นคือเป็นมัจจุมาลที่มาผลานมาทำลายชีวิตของท่านแล้วท่านอยู่อีกสักสิบหวันเท่านั้นเองท่านจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าทา ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าและจะบรรลุมรรคผลเป็นพระรยบุคคลระดับสูงสุดประพื้นจิตอะไรก็นั่นพร้อมแต่เวลาไม่ให้ราะความตายจึงมาตัดแต่ลักษณะามาเหล่านี้ถ้ามองจุดสูงสุดจะมีข้อที่พึงสังเกตอยู่ประการหนึ่งคือว่าคนที่มีบา ร, รมีเต็มท่านเรียกว่าปัจจิมะภวิกษัตร์คือสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้าย ชาติที่เกิดมาในภพสุดท้ายนั้นจะมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้ประเภทหนึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ประเภทเปลี่ยนแปลงได้นั้นหมายความว่าจะต้องสร้างความดีเพิ่มในชาติปัจจุบันได้จะบรรลุมรรคผลในชาติปัจจุบันแต่ถ้าไม่เพิ่มความดีคุณสมบัติความดีงานต่างๆบารมีธรรมต่างๆได้รรเคยทำเอาไว้จะเสือ่อมและในที่สุดอาจจะเสื่อมหมดทั้งโลกียะทรัพย์ทั้งโลกุตตรทรัพย์ อีกกลุ่มหนึ่งนั้นจะต้องบรรลุมรรคผลเชื้อก่อนถ้าไม่งั้นจะไม่ตายบางท่านบรรลุมรรคผลเสร็จตายก็มีแต่สรุปว่าพวกนี้เป็นพวกที่เที่ยงแท้แน่นนอนจะต้องบรรลุมรรคผลไม่มีอะไรมาโยกครองเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ความตายคือก่อนจะตายก็ต้องบรรลุมรรคผลให้ได้เสียก่อนนั้นคือหลัก ที่ท่านแสดงเอาไว้เป็นการชี้ความแตกต่างแห่งบารมีธรรมที่มีอยู่ภายในกลุ่มบุคคลเดียวกันคือสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้ายก็มีพื้นฐานทางบารมีไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วทไปแล้วความตายนั้นก็คือทุกข์กษัตริย์ที่มาตัดรอนชีวิตของบุคคลเป็นผลที่เกิดมาจากความแก่ความเจ็บและความเกิดดังนั้นความตายจึงเป็นทุกข์โดยสภาพของมัน แล้วถือว่าเป็นมารเพราะล้างผลาญชีวิตของบุคคลอยู่ร่ำไปประการที่ห้าเรียกว่าเทพบุตรมารคือมารคือเทพประบุตรหรือเทพธิดาก็ตามที่มีจิตใจเป็นผ่านมุ่งล้างผลาญความดีของคนดีซึ่งข้อนี้แม้ในชั้นการปฏิบัติระดับกรรมฐานทั่วๆไปบุคคลสามารถสัมผัส กับพวกเสนามานคือไม่ใช่ตัวพยาบาทที่มาคอยล้างผลางขัดขวางบุคคลในรูปลักษณะต่างๆแต่มาลประเภทนี้เป็นเรื่องปัจจิตังคือคนจะเห็นได้เฉพาะตัวและจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นสมัคคนสามัญทั่วไปบาลประเภทนี้ไม่เกิดแต่จะถามว่าทําไมจึงไม่เกิดเพราะเป็นไข่ไก่อยู่ในกำมือของเขาแล้วคือจะบีบก็ตายคลายก็รอดอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องแสดงตัวอะไรออกมา เว้นไว้แต่บุคคลนั้นกําลังจะบรรลุมรคนหลุดรอดจากอํานาจของมารไปมาจรจึงจะปรากฏตัวเช่นเดียวกับการปรากฏตัวของมารก่อนพระพุทธเจ้าจะศัสรุซึ่งกันสาตุชนทัางหลายจะเห็นว่า่จริงพระพุทธเจ้าบําเพ็ญ เ, เพียงอยตั้งหกปีมารก็ไม่เคยโผล่หัวมาเลยมารประเภทนี้ไม่เคยโผล่หัวมาเลยมารประเภทอื่นก็เกิดธรรมดาแต่พอพระพุทธเจ้าอธิษฐานพระไถยเอาจริงยอบตาย พอเห็นท้าไม่ได้การจึงโผล่หัวออกมาขัดขวางพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายนั้นจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารทุกประเภทแน่นอนมารที่เป็นเทวุตตบาลก็เคยแสดงตัวปรากฏตัวต่อพระพักพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายในรูปลักษณะต่างๆ แต่พระจิตใจของท่านเหล่านั้นมีประกายแห่งยานที่บริบูรณ์จะปรากฏแปลกปลอมมาเป็นอย่างไรก็ตามท่านรู้โด้หยาดขนงท่า น, นคนอื่นอาจจะรู้อาจจะหลงแต่พระอรหันต์ท่านไม่หลงเพราะท่านมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยมภายในใจท่านก็จะบอกกล่าวชี้แจงหรือบางทีก็ไล่ให้ออกไป มารก็ย่อมพ่ายแพ้ต่ออํานาจของท่านดังนั้นท่านจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่รับใช้มานปนัญหาในเชิงของการปฏิบัติก็คืออยู่ที่ว่าบนเส้นทางของพระอระหันต์นั้นทําอย่างไรจึงจะไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของมารมากนักและทําอย่างไรจึงจะไม่ต้องรับใช้ปานอยู่ร่างไปเป็นหลักปฏิบัติที่ บุคคลสามารถจะใช้เหตุผลสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุณธรรมสามประการดังกล่าวแล้วได้เกิแก่สติสัมปชัญญะและความเพียรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจข้างตนได้อย่างในในกรณีของขันธมันพารู้จักปล่อยวางไม่ยึดไม่ถืออะไรให้มากนะักหรือไปเล็งผลเลิศไปตั้งเป้าหมายให้เป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้ ในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปความโปร่งเบาก็จะบังเกิดขึ้นภายในใจถ้าญาณปัญญาบังเกิดขึ้นยอมรับความจริงในสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามปกติธรรมดาของมันและมองให้เห็นอย่างที่สวดธรรมะเชา้าตอนเชา้าที่สวดว่ารูปังอนิจจังเวรนานิจาสัญญานิจาสังขารานิจาวิญญานังอนิจจังรูปังอนัตตาเวเนานัตตาสัญญานัตตาที่สวดๆกันอยู่ มองให้เห็นความจริงต่างนั้นอย่างที่ท่านนิยมสวดย่อๆก็ที่จริงเป็นการย่ออนัตตลกนัสูตรไว้โบราณท่านสอนให้สวดเราจะได้พบได้ยินได้เห็นคนท่าคนแก่ท่านจะสวดของขัง้นท่าจะเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนไม่รู้แต่กระทั่งเขาปร่งเ่าสบายดีเห็นยกขึ้นมาว่ารูปเป็นของไม่เที่ยง รูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกรูปใดเป็นทุกรูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปใดไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราพอ <vemos> สวดเวท <สๆ S 2> สสนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะสวดโดยทํานองเดียวกันจะมีคําบาลีหรือไม่มีคําบาลีอย่างท่านสวดนั้นท่านก็สวดแปล จะมารูปางานิจังรูปเป็นของไม่เที่ยงยาดานิจังตังรุขัางรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกยังลุขัางตังอนัตตารูปใดเป็นทุกรูปนั้นใช่ตัวใช่ตนยาดานัตตาตังเนตังมามัเนโซอมัสสมิณาเมโซเมอัตตารูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราตามปกติเวลาสวดท่านจะสวดช้าๆทิ้งช่วงยาวๆคิดตามไป จะทําให้จิตใจได้หลักเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยวเป็นนิจจสัญญาเป็นทุกขสัญญาเป็นนัตตะสัญญาในอารมณ์กรรมฐานแห้เป็นการพยายามที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือปั้นในสัตว์ในสังขารและในอารมณ์ทั้งหลายให้เบาบางเกี่ยวจางลงไปในชั้นของอภิสังขารมานนั้นพึงสังเกตว่าในชั้นหนึ่งคือชั้นของศีลธรรมจัญญาขอเพียงแต่ลดละสิ่งที่เป็นบาป อันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นปฏิปท า, าที่จะนำตนเองให้ตกนรกในนิรยะสูตรนั้นคือสูตรที่ว่าด้วยนรกเราต้องสอนตังการปฏิบัติที่ทำให้บุคคลตกนรกเอาไว้ก็อยู่ที่ทุติริตนั่นเองลว้วก็เน้นไปที่การผิดศีล้าประการ ถ้าไม่หยาบาไม่ทำกรรมที่เป็นบาปบาปจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลคนนั้นเป็นการขาจัดมารประเภทนี้ลงไปได้ส่วนในด้านกุศลกับอนญนชานั้นสำหรับชั้นสามัญณดยทั่วไปก็ต้องปฏิบัติไปด้ก่อนเป็นลักษณะาอาศัยเหมือนยานภาณะสำหรับข้ามฝากเวลาข้ามฝากแล้วก็ค่อยพูดกันทีหลัง ออสมับกิเลสสมานได้แก่การพยายามมองให้เห็นโทษของกิเลสที่ใครคนใดคนหนึ่งเขาทำและมองย้อนกลับมาว่าพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไงบุคคลก็จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าที่จริงนั้นเกิดมาจากกิเลสแต่าบางครั้งเรื่องราวลูกรามบานปลายไปใหญ่โตจนยากที่จะประสาทยากที่จะหาข้อยุติ ยกตัวอย่างวรรณกรรมที่เราศึกษาเราเรียนกันมาเนเรื่องรามเกียรติก็เกิดมาจากโลภะไร้สิยาเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็บานปลายออกไปเป็นเรื่องราวมากมายไกลกองตัวเรื่องพระภัยมณีก็เรื่องมาจากเกิดมาจากโลภะโทสะโมหะต้นจุดวุ่นวายกันมากมายแต่ในที่สุดพอม า, มาประชุมกันฤาษีให้เหตุผลชี้แจง ลดราคาโทสะโมหะลงมาความสงบก็เกิดมานั่นก็คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากอากุศลเกิดขึ้นจากกิเลสเป็นความรุนแรงในรูปลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นหรืออาจจะเกิดขึ้นแก่ตัวเองและประสบผลกรรมนั้นโดยตัวเองมีความรู้สึกหลาบจําต่อทุกภัยเหล่านั้นแล้วก็เพียรพยายามที่จะลดละบัญเท่าไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําซ้อน อย่างน้อยก็อย่าให้มากเกินไปจิตใจก็จะได้ความสงบความชือ่องชนไม่ได้รอบพ้นจากมานอย่างสิ้นเชิงแต่ก็วางใจได้ในบางครั้งบางโอกาสโดยการปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนเป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างที่กําลังศึกษาปฏิบัติกันนั้นจะมีส่วนอย่างสําคัญในการลดละบันเท่าพวกกิเลสมานทางไหน ส่วนมัจจุมา น, นั้นเรื่องความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายแต่บุคคลสามารถใช้ความระมัดระวังความสมํารวมไม่ให้ตายในขณะที่ยังไม่ควรตายหรือตายโดยความประมาทเราแก้ไขไม่ให้ตายไม่ได้แต่แก้ไขไม่ให้ความดีตายไปจากโลกได้อย่างที่ทรงสรุปแสดงไว้ว่า ความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายบุคคลที่ประมาทแล้วแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วคนที่ไม่ประมาทแล้วแม่ตายแล้วก็เหมือนกับมีชีวิตอยู่ทาอย่างไรจึงจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างกา ร, รปฏิบัติของท่านสาธุชนทั้งหลายนี้ได้ชื่อว่าดําเนินไปบนเส้นทางของมู้ผู้ผู้ไม่ประมาทเป็นเส้นทางที่มารกลัวมากมารขยนะับมา ประมาณจะทําบุคคลที่ประมาทเท่านั้นให้อยู่ในอำนาจัองตนได้แต่สําหรับผู้ไม่ประมาทแล้วมานหวาดกลัวเทพบุตรมารก็จะไม่มีปัญหาอะไรถ้ามาบุคคลผู้ไม่ประมาททนการวิ่งรับใช้มารนั้นได้แก่อาการส่วนมากแล้วจะเน้นไปที่เรื่องของกิเลสยังจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนเป็นนั้นมากที่ถูกกิเลสแกลักดัน แกกระซิบแกสั่งบอกอ้นี้สวยนันอ้นี่ดีนั่นไน้นอร่อยนั่นเมืองนั้นสนุกนะต้องไปทัวร์ไปทัศนาจรกันนะนี่ก็คือการกระซิบสั่งของกิเลสซึ่งบางครั้งบางคราวเป็นความสับสนในด้านความคิดในด้า น, นจิตใจบอกไปปฏิบัติกรรมาฐานต่างจางังหวัดเช้าไปแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่คืนหนึ่งแล้วก็รุงกึ่งเช้าก็กลับ จะลองนึกดูในแง่ของการปฏิบัติมันได้อะไรเพราะที่จริงกิเลสมันก็เอาไปจากบ้านนั่นแหะแล้วก็ไปถึงก็ไปขัดเกลากิเลสที่อยู่ภายในใจถึงเอาไปจากบ้านนั่นนหะมีเวลาขัดเกล้น้อยถ้านั่งขัดเกลียอยู่ที่บ้านจะได้เวลาถึงสาวันแต่พอไปขัดเกลีขัดเกลีในป่าได้เวลานิดเดียวเพราะเสียเวลาเดินทางนั่งคุยตลกกันไปแล้วก็เพิ่มกิเลสขึ้นเยอะแยะด้วยนี่ก็คือการใช้ชีวิตไปในแนวประมาทผม ที่จริงกิเลตนั้นเกิดขึ้นที่ใจไม่มีใครมานั่งขูดกิเลสให้คนได้นอกจากคนนั้นพยายามขูดตัวเองถ้ลองว่าขูดกิเลสได้ขัดเกลากิเลสกันได้อย่างนั้นแล้วก็คงจะใช้วิธีดนบันดาลก็เป่าพวดพวดกิเลสร่วงหมดมีแต่พระรยาบุคคลกันนะเพราะนั้นใช้ชีวิตในลักษณะไม่ประมาทบุคคลก็สามารถที่จะรู้ทันอารมณ์ รู้เท่าทัานอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วเพียงพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะจิตอย่างที่ทรงแสดงว่าเห็นไปจากชัดในขณะนั้นๆถ้าเป็นทุกข์กษัตริย์ก็ให้กําหนดรูใ้ในขณะนั้นๆเป็นกลุ่มกิเลสก็ให้กําหนดละ ใ, ในขณะนั้นๆเป็นกลุ่มผลดีงามก็กําหนดทําให้แจ้งในขณะนั้นๆถ้าเป็นมรรคก็กําหนดใจทําให้บังเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นคือ ถ, ถ้ากลุ่มกุศลก็ กำหนดใจทำให้เกิดขึ้นใ น, ในขณะนั้นไม่ปล่อยให้มารบังคับเสือส่อไสไปสู่อำนาจของตนด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆเป็นต้นพอาะด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ชื่อว่าเป็นการเดินตามรอยของพระอาหารหันต์ทั้งหลายจะสัมผัสความสงบความเย็นกายเย็นใจปลอดเวรปลอดภัยในชีวิตได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตน ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสื่อต่อไป